เรื่องอุปชาโง่เขลาข้อ76สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายคิดว่าเรามีพรรษาครบสิบเรามีพรรษาครบ1ิบแต่เป็นผู้โง่เขลาไม่ฉลาดให้อุปสมบทปรากฏว่าอุปชาเป็นผู้โง่เขลาสัตว์ที่วิหาริกเป็นบัณฑิตก็มีอุปชาเป็นผู้ไม่ฉลาดสัตว์ที่วิหาริกเป็นผู้ฉลาดก็มี อุปชายมีสูตรตาน้อยสัตธิวิหาริกเป็นผู้หูสูตรก็มีอุปชัยมีปัญญาสามสัตธิวิหาริกมีปัญญาดีก็มีแม้ภิกษุรูปหนึ่งเคยเป็นอัญญเดีรถ์ถีถูกอุปชาว่ากล่าวโดยชอบธรรมก็โตเถียงอุปชาไปเข้าละทิเดียร์ถีนั้นดังเดิมบรรดาภิกษุที่มักน้อยพากันตาหนิประนามพนธนาว่า ไฉนายภิกษุทั้งหลายจึงได้อ้างว่าเรามีพรรษาครบสิบเรามีพรรษาครบสิบแต่เป็นผู้โง่เขาไม่ฉลาดให้อุปสมบทปรากฏว่าอุปชาเป็นผู้โง่เขาสัตธิวิหาริกเป็นบัณฑิตก็มีอุปชาเป็นผู้ไม่ฉลาดสัทธิวิหาริกเป็นผู้ฉลาดก็มีอุปชามีสุต่าน้อยสัตธิวิหาริกเป็นผู้หูสูงก็มีอุปชามีปัญญาสามสัตธิวิหาริกมีปัญญาดีก็มี จึงนำเรื่องนี้ไปการาบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงสอบถามพระผู้มีพระภาคทรงสอบถามพิจูตทัง้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกภิจูตได้อ้างว่าเรามีปภาษาครบสิบเรามีปภาษาครบสิบแต่เป็นผู้โง่เขลาไม่ฉลาดให้อุปสมบทปรากฏว่าอุปชาเป็นผู้โง่เขลาสัตว์ที่วิหาริกเป็นผู้ฉลาดก็มีอุปชาเป็นผู้ไม่ฉลาดสัตว์ที่วิหาริกเป็นผู้ฉลาดก็มี อุปชามีสุตาน้อยสัตธิวิหาริกเป็นพระหูสูตรก็มีอุปชามีปัญญาสามสัตธิวิหาริกมีปัญญาดีก็มีจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายชนัยโมฆะบุตรเหล่านั้นจึงได้อ้างว่าเรามีปัรษาครบสิบเรามีปัญษาครบสิบแต่เป็นผู้โง่เขาไม่ฉลาดให้อุปสมบทเล่า ปรากฏว่าอุปชาเป็นผู้โง่อเขาสัตว์ที่วิหาริกเป็นบัณฑิตก็มีอุปชาเป็นผู้ไม่ฉลาดสัตว์ที่วิหาริกเป็นผู้ฉลาดก็มีอุปชามีสุตตน้อยสัตว์ที่วิหาริกเป็นผู้หูสูงก็มีอุปชามีปัญญาสามสัตว์ที่วิหาริกมีปัญญาดีก็มีพิสูจทั้งหลายการกระทําของพวกโมฆะบุรุษนั่นมิได้ทําคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใส หรือทําคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยครั้นแล้วทรงแสดงธรรมีกถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้โง่เขลาไม่ฉลาดไม่พึงอุปสมบทรูปใดให้อุปสมบท ต, ต้องเอาบัติทุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุผู้ฉลาดผู้สามารถมีภรษาครบสิบหรือมีรรษาเกินสิบให้อุปสมบทได้